สวัสดีครับสวัสดีครับนอกจากผมจะกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ช้าไปไหมครับช้าไปัหมครับสวัสดีปีใหม่ผมมั่นใจว่ายังไม่ช้าแล้วอาจจะเร็วไปด้วยเพราะว่ายังไม่ถึงปีใหม่จีนเลยตรุจจีนวันที่เท่าไหร่ครับ28นะครับมีหลายหคนนะครับโดยเฉพาะเด็กๆจะจาตรุจจีนได้ดีกว่าผู้ใหญ่ นะครับเพราะว่ารอวันที่จะได้อับอ่างเป่านะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับช่วงเวลาปีใหม่ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเดือนมกราคมยังเป็นเดือนที่เราระลึกถึงช่วงปีใหม่อยู่นะครับและผมพูดอยู่เสมอผมเคยพูดที่นี่มาแล้วแต่ขออนุญาตพูดอีกซ้าอีกครั้งว่าคนไทยเป็นคนที่มีโอกาสดีที่สุดในโลกนะครับ เพราะว่าปีใหม่มักเป็นช่วงเวลาที่เราจะใช้ทบทวนความคิดของตัวเองนะครับเราจะทบทวนความคิดเราจะตั้งใจทำอะไรดีๆตั้งทาใจทำอะไรใหม่ๆอยู่เสมอในช่วงเวลาของปีใหม่นะครับดั้นคนไทยเนี่ยจะได้เปรียบเพราะว่าพอปีใหม่ก็ตั้งใจแล้วตั้งใจไปได้สองอาทิตย์พลาดสาอาทิตย์พลาดเอ้าติดจีนเดี๋ยวตั้งใจกันใหม่นะครับพอพ้นตุด จ, จีนไปปึ๊บก็ตั้งใจดี ไปได้สักสองเดือนเดือนสองเดือนเริ่มพลาดอีกแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสงกลานยังตั้งใจกันใหม่ได้นะครับจริงๆแล้วอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับเราตั้งใจอย่างไรแล้วเราตั้งใจเลยนะครับแต่ว่าปีใหม่เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนพูดถึงสิ่งดีๆผมขออนุ ญ, ญาตลองถามที่ประชุมนี้ดูว่าปีใหม่ที่ผ่านมามีอะไรเป็นเรื่องที่ดีที่สุดของเราบ้าง ไม่ต้องตอบผมนะครับแต่ผมให้เวลาครึ่งนาทีที่จะลองคิดว่าปีใหม่ที่ผ่านมามีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องดีที่สุดของเราบ้างมีใครนึกตามผมไหมครับแลวนึกออกไหมครับบางคนนะครับปีใหม่ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เรียนจบอ่า บางคนเป็นปีที่สอบเข้าได้บางคนเป็นคนปีที่ได้งานใหม่บางคนที่เป็นปีที่รู้จักกับแฟนบางคนเป็นปีที่แต่งงานนะครับบางคนเป็นปีที่มีลูกนะครับมีหลายๆเรื่องหลายๆราวในปีใหม่ในปีที่ผ่านๆมาที่เป็นปีที่ดีนะครับก็ ผมฝากไว้ตรงนี้ด้วยว่าถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นปีที่ดีที่สุดของเราอย่างหนึ่งอย่าลืมกลับไปขอบคุณพระเจ้าในเรื่องนี้นะครับแต่ปีข้างหน้ามีอะไรให้เราตั้งใจบ้างนะครับพระธรรมที่ผมอยากจะมีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องวันนี้เนี่ยนะครับอยู่ในพระธรรมเส ฟ, ฟัญยาบทที่สามข้อยี่สิบนะครับไม่ทราบมีให้ผมแล้วนะครับผมอยากให้เราอ่านพร้อมๆกันเลยมันอยู่บนจอแล้วนะครับ ขอดูบนจอด้วยเพราะผมไม่แน่ใจว่ามันจะใช้เวอร์ชั่นเดียวกันหรือเปล่าเอาเลยครับหนึ่งสองซามเอาขึ้นัหมครับเศฟัญญาบทที่สข้อ20ในคราวนั้นเราจะนำเจ้ากลับเข้ามาคือในคราวที่เรารวบรวมพวกเจ้าเข้าด้วยกันเลยเราจะกระทำให้เจ้ามีชื่อเสียงและเป็นที่สันเสริญในท่ามกลางบรรดาชนชาติทั้งหลายของโลก คือเมื่อเราให้เจ้ากลับสู่สภาพเดิมต่อหน้าต่อตาเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้แหละพระธรรมเสฟัญยาอาจจะเป็นข้อพระธรรมที่มันไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นักเปิดในพระธรมีรมเอมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ช่วงหน้าช่วงหลังนะครับแต่ถ้าใครที่เข้ามามาสการรอบเช้าด้วยก็จะคุ้นเคยขึ้น ครับเพราะพระธรรมตอนเดียวกันนี้ก็คือเมื่อเช้านี้ท่านอาจารย์สันติก็ได้มีโอกาสแบ่งเผยพระวจนะให้เราฟังนะครับในบางแง่มุมไปแล้วนะครับหวังว่าจะเหลือให้ผมบ้างนะครับในบ่ายวันนี้เราอธิษฐานด้วยกันดีนะครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ใหญ่สูงสุดขอบคุณพระเจ้าสําหรับบ่ายวันนี้อีกครั้งหนึ่งที่พวกเราทุกคนได้เข้ามาอย่างพระวิหารของพระองค์เพื่อจะนมัสการพระองคร่วมกันเวลานี้ขอพระวจนะของพระองค์ ตักเตือนสอนเราและให้ความเข้าใจเราทุกๆคนรวมทั้งผมเพื่อที่จะเข้าใจในพจนะของพระองค์และเพื่อที่จะใช้พจนะนี้ในชีวิตของเราให้เป็นเกิดผลจริงๆขอการทรงนำในการนมัสการในการเข้าใจพจนะของพระองค์ด้วยกราบทูลขอพระองค์ในพระนามพระศุกร์พระเจ้าอาเมนผมอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเพราะมันเป็นพระธรรมตอนสั้น ในเวลานั้นเราจะนำพวกเจ้าเข้ามาคือในเวลาที่เรารวบรวมเจ้าเข้าด้วยกันเราจะทำให้เจ้ามีชื่อเสียงและเป็นที่สรรเสริญท่ามกลางประชากรทั้งสิ้นในโลกเมื่อเราให้เจ้ากลับสู่สภาพเดิมต่อหน้า ต, ต่อตาเจ้าพระยาเวตรัส ด, ดังนี้แหละพระธรรมเสฟัญญาเนี่ยถ้าในบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเขาจะระบุว่า ผู้เขียนพระธรรมนี้คือผู้เผยพระวจนะเสฟัญยาซึ่งเสฟัญยาแปลได้อย่างหนึ่งว่าพระเจ้าทรงปกป้องนะครับก็คือซ่อนอยู่ในพระเจ้านะครับในข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าพระวจนะของพระเจ้าซึ่งมาถึงเสฟัญยาบุตรคูซีผู้เป็นบุตรเกดาลยาผู้เป็นบุตรอามาリアผู้เป็นราชโอรสของเฮเซคียาในรัชกาลโยเซียาราชโอรสของอาโมนกษัตริ ของยูดาระประทำข้อนี้บอกให้เรารู้ว่าเศฟัญยาคือใครซึ่งประทำตอนนี้เนี่ยเขียนอยู่ในช่วงประมาณปีก่อนคริสต์ศักราชประมาณ6 7ถึงรอปีนะครับเนื้อเรื่องของเศฟัญยาถ้าเราจะกลับไปมีโอกาสได้อ่านนะครับมันจะมีอยู่ถึงเรื่องวันพิพากษาเรื่องของประชาชาติจะพินาศ เรื่องความหวังของคนที่เหลืออยู่และตอนสุดท้ายช่วงสุดท้ายจะเป็นเพลงแห่งความชื่นชมยินดีเราจะพบว่าในโอกาสปีใหม่นะครับหรือโอกาสดีๆโอกาสวันเกิดวันสําคัญต่างๆเรามักจะอวยพรให้แก่กันและกันและคําอวยพรที่เราอวยพรให้แก่กันและกันส่วนใหญ่มักจะเป็นคําที่หวานหูคําที่ชื่นชมยินดีเช่น ขอให้คุณดำเนินชีวิตได้ตามใจปรารถนาขอให้คุณมีความเจริญรุ่งเรืองบางทีก็บอกว่าขอให้ร่ำรวยขอให้มีเงินมีทองมีการงานมั่นคงฉเลฉลยวฉลาดนะครับขอให้มีความสุขอุดมสมบูรณ์มีอายุยืนนานมีอะไรอีกบ้างครับที่เราอวยพรกันสุขภาพดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บส่วนใหญ่เวลาเราอวยพรกันเรามักจะพูดแล้วเราก็อยากจะฟังคาที่หวานหู เราคงจะไม่ค่อยอยากฟังเท่าไหร่ถ้ามีคนมาบอกเราในวันปีใหม่สวัสดีปีใหม่ขออย่าให้ทําบาปทาบาปแล้วเดี๋ยวจะพินาศมีไหมครับแท้จริงมันเป็นความจริงนะครับเป็นความจริงและเป็นความหมายที่ถ้าเราดูลึกๆแล้วมันก็คล้ายๆกันคือแม่เราไม่ทําบาปแล้วเราไม่พินาศมันก็แปลว่าชีวิตเราก็จเจริญรุ่งเรืองเกิดผลในพระเยซูคริสต์แต่เราไม่ค่อยอยากฟังนะครับ เรามักจะอยากฟังคำที่หวานๆนะครับเราเคยเห็นป้ายสีเหลืองๆไหมครับที่ติดอยู่ติดอยู่ถ้าไม่เชื่อพระเยซูตกนรกโอถ้าทำบาปตกนรกนะจริงๆเป็นความจริงไหมครับนั่นก็เป็นความจริงนะครับแต่มันเป็นความจริงที่ไม่ค่อยเข้าหูคนเป็นความจริงที่เราเองก็ไม่ค่อยอยากฟังเท่าไหร่นะักนะครับแต่ในพระธรรมเล่มนี้นเสฟัน ญ, ญาเลือกที่จะพูดแบบนี้ เซฟันยาเป็นผู้เผยพวจนะที่พระเจ้าส่งไปตักเตือนชาวยูดาเป็นช่วงก่อนที่เนบูคัดเนสซาแห่งบาบิโลนจะยกขับยกทัพเข้าทําลายกรุงเยรูซาเล็มประมาณสักยี่สิปีสิ่งที่เซฟันยามาพูดเซฟันยาเผยพระวจนะอย่างน่ากลัวว่าพระเจ้าจะทรงทําการพิพากษามวลมนุษย์ที่ทําผิดบาปไม่มีสักคนเดียวที่จะรอดพ้นไปได้เซฟันยา กล่าวถึงพระวจนะในเล่มนี้ในแง่ลบคือการพิภากษาที่จะมีขึ้นในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าและในแง่บวกคือพระพรอันยิ่งใหญ่ที่มาจากเบื้องบนนะครับโดยทั้งหมดนี้พูดถึงสองถ้าแบ่งเป็นตอน ใ, นใหญ่คือสองตอนตอนแรกเนี่ยตั้งแต่บทที่หนึ่งไปเลยจนถึงบทที่สข้อที่8ปดเขาได้เผยพระวจนะอย่างน่ากลัวว่าพระเจ้าจะทรงทําการพิภากษ า, ามวลมนุษย์ที่ทําความผิดบาป ไม่มีสักคนเดียวจะรอดพ้นไปได้นะครับและอนาคตที่จะเกิดขึ้นมีสองเรื่องในตอนนั้นคือเรื่องแรกยูดาจะต้องตกไปเป็นเชลยในบาบิโลนนะครับการตกเป็นเชลยนะครับในสงครามเนี่ยเป็นเรื่องเลวร้ายมากนะครับเราเองอยู่ในประเทศขอบคุณพระเจ้าเราอยู่ในประเทศที่สุขสงบนะครับขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งปกครองประเทศและทําให้ประเทศของเราเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาในสายตาชนต่างชาติถือได้ว่าปราศจากสงครามเลยถึงแม้ว่าจะมีการสู้รบเล็กๆน้อยๆตามตะเข็บชายแดนแต่ถ้าเทียบกับประเทศที่เกิดสงครามนี้ถือว่าไม่มีเลยเพราะการสงครามคือการกวาดต้อนผู้คนการข่มเหงการอดอยากนะครับโดยเฉพาะประเทศแพ้สงครามไปเป็นฉเฉลยเนี่ยนะครับเราจะเห็นในหนังในภาพยนตร์หลายสิ่งหลายอย่างนะครับถูกทารุณ ถูกฆ่านะครับผู้หญิงถูกข่มขืนนะครับแล้วก็ยังถูกทําร้ายทุกๆอย่างยูดาจะต้องตกไปเป็นเชลยในบาบิโลนเรื่องที่สองคือการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์คนบาปจะต้องถูกลงโทษส่วนผู้เชื่อวางใจจะได้รับสรรที่สุขและได้รับชีวิตนิรันดรผู้ที่เชื่อวางใจคือคนที่ยืนหยัดอยู่ในพระเจ้าได้นะครับในยุคนั้น ทำให้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องการยืนหยัดให้พี่น้องฟังมันมีเรื่องเรื่องหนึ right? ่ง <leaves> ซ e <me> ึ่งเขาเขียนอยู่ในบันทึกอยู่ในหนังสือมานาประจำวันตั้งแต่สมัยปี2012ประมาณนั้นนะครับเขาบอกว่าคนที่เขียนบทความเรื่องนี้เขาบอกว่าขณะที่เขากำลังเลี้ยวรถไปถึงการจราจรที่ขับข้างมีรถพยาบาลคันหนึ่งโผล่พ้นเนินขึ้นมาแสดงว่าเป็นถนนที่เป็นภูเขาครับ ขับตรงมายัางทิศทางที่ฉันจอดอยู่อย่างรวดเร็วรถที่อยู่ด้านหลังบีบแตรเพื่อเร่งให้ฉันไปแต่ฉันรู้ว่ารถพยาบาลคนนั้นคงไม่ยอมจอดแน่ๆซึ่งที่ถูกแล้วเราก็ไม่ควรจะออกไปขวางรถพยาบาลนะครับรถคันหลังเขาอาจจะไม่เห็นเขาจึงบีบแตรเร่งถ้าฉันเลี้ยวรถไปฉันต้องถูกชนแน่ๆฉันจึงเหยียบเบรกไว้และอยู่กับที่ ในแง่ฝ่ายจิตวิญญาณเขาบอกว่าเราจำต้องอยู่กับที่และรักษาความสัตศ์ซืธอต่อพระเจ้าแม้จะมีความกดดันจากคนอื่นกษัตริย์ซาโลมอนเองก็ได้รับบทเรียนอันแสนเจ็บปวดเพราะพระองค์เริ่มต้นรัชการด้วยการทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าและคำอธิษฐานมอบถวายพระวิหารก็แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระเจ้าแต่พระองค์ไม่ได้รักษาความสัตศ์ซืธอนั้นไว้และได้แต่งงานกับหญิงต่างชาติหลายคนที่ชักชวน ให้พระองค์หันไปนมัสการพระอื่นในช่วงบ้านปลายชีวิตนะครับในหนึ่งพงศษ์นะครับบันทึกไว้ว่ามิได้ทรงติดตามพระเจ้าอย่างเต็มพระทยัยยุคนี้ก็อาจจะเหมือนสมัยก่อนอาจจะมีคนชักชวนให้เราทิ้งความสัตย์ซื่อในพระเจ้าและความจริงของพระเจ้าแต่ด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้าเรายังสามารถยืนหยัดอยู่ได้นะครับเราสามารถยึดมั่นในพระคำแห่งชีวิตได้ นะครับด้วยการที่เราเองจะมีโอกาสใช้เวลาในการสั ม, มีทีรทำกับพี่น้องในการอธิษฐานในการอ่านพระคัมภีร์นะครับและสิ่งเหล่านี้พระเจ้าบอกว่าคนที่ยืนหยัดอยู่ได้นะครับคนบาปจะต้องถูกลงโทษนะครับผู้เชื่อวางใจจะได้รับสันติสุขและชีวิตนิรันด์นี่เป็นหนึ่งในสองเรื่องที่เสฟันยาได้กล่าวถึงเรื่องของอนาคต อีกตอนหนึ่งของเซฟันยาซึ่งบันทึกอยู่ในบทที่สามข้อเก้า 9, เป็นต้นไปถึงข้อที่ยี่สิบนะครับถ้ามีโอกาสเราลองกลับไปอ่านกันดูเสฟันยาพยากรณ์ถึงอนาคตภายหลังจากที่พระเจ้าพิพากษาประชาชาติที่ทำบาปทั่วโลกว่าจะมีการชำระผู้สำนึกบาปและกลับใจเสียใหม่ให้กลายเป็นคนบริสุทธิ์พวกเขาจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกสรรไว้ให้เป็นผู้ที่รับประพรันเป็นข่าวดีไหมครับที่คนที่ สำนึกบาปและกลับใจใหม่เป็นคนบริสุทธิ์ได้เพราะฉะนั้นถ้าผมจะสรุปเท่ากับวันนี้เนี่ยเราเซฟันยาจบในแป๊บเดียวเลยนะครับเซฟันยาประกาศคําพิพากษาของพระเจ้าทั่วโลกทั้งยูดาประเทศโดยรอบในกรุงเยรูซาเล็มและทุกประเทศและตามมาด้วยคําอวยพรของพระเจ้าที่ประกาศให้พรแก่ทุกชาติเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรที่เหลือที่สัตซ์ซ์นะครับอยู่ในยูดา เซฟันยามีความกล้าหาญที่จะพูดตรงไปตรงมาเพราะเขารู้ว่าเขากําลังประกาศพระวจนะของพระเจ้าพระธรรมของเขาขึ้นต้นด้วยพระวจนะของพระเจ้าและจบลงด้วยพระเจ้าทรงตรัสเขารู้ว่าไม่มีเทพเจ้าองค์ใดในบรรดาหลายๆองค์ที่มนุษย์บูชาหรือแม้แ ม, แม้กระทั่งกําลังของกองทัพอัสเซีเรียก็ไม่สามารถจะช่วยให้เขารอดได้แต่พระเจ้า ทรงเมตาและสงสารนะครับแต่ถ้าไม่สนใจคำเตือนของพระเจ้าเราก็จะต้องพบกับการพิพากษาบทเรียนจากพระธรรมตอนนี้บทเรียนแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือพระเจ้าไม่ได้คอยจ้องแต่จะพิพากษาลงโทษมนุษย์ที่ทำผิดบาปแต่ยิ่งเบิกกว่า น, นั้นด้วยความรักจากพระเจ้าพระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะชาระเราชีวิตของเราให้สะอาดบริสุทธิ์และ ที่สำคัญคือที่จะอวยพรชีวิตของเราทุกๆคนในเสฟฟัญญาบทที่สามข้อสิบห้าบอกว่าพระเจ้าทรงล้มเลิกการพิพากษาลงโทษเจ้าแล้วพระองค์ทรงขับไล่ศัตรูของเจ้าออกไปแล้วกษัตริย์แห่งอิสราเอลคือพระเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางเจ้าเจ้าจะไม่กลัวภัยพิบัติอีกต่อไปอย่างที่ผมบอกแล้วครับเราเองไม่ได้อยู่ในช่วงของสงครามเราอาจจะไม่รู้สึกถึงภาพของการที่ ได้รับการปลดปล่อยหรือการช่วยกู้มากเท่ากับยูดาในสมัยนั้นแต่ถ้าเราจะพูดถึงพระธรรมข้อที่มีความหมายเดียวกันและเราคุ้นเคยที่สุดเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรัน์ความหมายเดียวกันครับคนที่วางใจในพระเจ้าจะไม่พินาศ แต่เราจะมีชีวิตนิรันดร์ถึงกระนั้นอิสราเอลในยุคนั้นก็มีบางส่วนที่ไม่ยอมรับพระผู้ช่วยให้รอดที่แท้จริงของเขานะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้พวกเราได้เห็นถึงความรักของพระเจ้าจากพระธรรมในตอนนี้นะครับเพราะว่าหัวข้อเราบอกไว้แล้วว่าความรักของพระเจ้านะครับผมขออนุญาตอ่านซ้ําอีกทีแล้วเราลองฟังดูว่าในพระธรรมตอนนี้นะครับไม่กี่บรรทัดเนี่ย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 พระยาเวตรัส ด, ดังนี้แหละสามข้อในความรักของพระเจ้าที่ผมเห็นในพระธรรมตอนนี้คือเรื่องแรกคือการรวบรวมพวกเราเข้าด้วยกันในยุคนั้นผมเชื่อว่าคนยูดาห์ถูกทำให้กระจัดกระจายกันไปนะครับเราลองนึกภาพว่าในยามสงครามนะครับในยามที่เป็นผู้แพ้นะครับ ต่างฝ่ายต่างก็หนีกระเจิดกระเจิงกันไปมีมีใครเคยดูหนังเรื่องบางระจันมั้งไหมครับบางระจัน์เนี่ยต่อสู้แล้วก็ยันกองทัพพมา่าไว้ได้หลายต่อหลายครั้งแต่จนครั้งสุดท้ายพอค่ายแตกค่ายบางราจันต์แตกสิ่งที่เราเห็นในหนังก็เหมือนกับสงครามทั่ ว, วไปคือผู้คนก็ต้องหนีเอาชีวิตรอดกระจัดกระจายกันไปหมดนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นใครและสมัยก่อนไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ครับ นีหนีไปและจะมาลายกันบอกว่าเออหลบอยู่ตรงนูน้นหลบอยู่ตรงนี้ไม่มีครับหนีไปก็ได้แต่เดาว่าคนที่เหลืออยู่ที่ไหนคนที่เหลืออยู่ตรงไหนคนที่เหลืออยู่ตรงไหนนะครับนั้นสิ่งแรกในความรักของพระเจ้าพระเจ้าได้รวบรวมคนเหล่านี้กลับมาด้วยความรักของพระองค์ผมมีนิทานจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้เป็นนิทานที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยรู้จักแต่ไม่เคยฟังมันนานมากแล้ว มีใครเคยได้ยินนิทานเกี่ยวกับหุ่นไม้บ้างครับหุ่นไม้หุ่นไม้ชื่ออะไรครับพินอกคิโอรู้สึกว่าเมื่อไม่นานมานี้เขาเพิ่งเอากลับมาทำหนังใช่มครับเป็นภาพยนตร์นะครับเป็นภาพยนตร์กึ่งแอนิเมชั่นก็ใครอยากจะกลับไปดูอยากไปดูเรื่องของพินอกคิโอก็ไปดูใหม่ได้แต่ผมเล่าเรื่องพินอกคิโอให้ฟังเอาเวอร์ชันนี้นะครับมีเวอร์ชันเดียวนะครับเพราะ เล่าอีกทีก็อาจจะเล่าไม่เหมือนเดิมนะครับการละครั้งหนึ่งในประเทศอิตาลีมีชายชาลาคนหนึ่งเป็นช่างแกะสลักไม้เขาไม่มีลูกและก็อยู่คนเดียวตามลำพังด้วยความเหงาเขาจึงนำไม้มาแกะสลักเป็นหุ่นไม้และตั้งชื่อว่าพินอคคิโอค่ำคืนนั้นนางฟ้าสีน้ำเงินผมไม่รู้ทำไมต้องสีน้ำเงินนะนางฟ้าแต่นางฟ้าสีน้าเงินใจดีองหนึ่ง อยากให้ชายชรามีความสุขจึงเสกให้พิน็อกคิโอมีชีวิตขึ้นมาจริงๆโดยบอกเขาว่าเขาจะเหมือนมนุษย์เมื่อเป็นเด็กดีแมวกับหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์เห็นพินอคิโอจึงพิคิดแผนร้ายโดยจะนำเขาไปขายให้เจ้าของโรงละครหุ่นกระบอกจึงหลอกล่อพีน็อกคิโอให้หนีโรงเรียนไปเที่ยวที่โรงละครพินอคิโอหลงเชื่อตามไปแรกๆเขาสนุกจนลืมทุกอย่าง หลายวันผ่านไปพินอคคิโ อ, เ, โอเหนื่อยมากเพราะถูกบังคับให้แสดงทั้งวันนางฟ้าองค์เดิมสีน้ําเงินนางฟ้าสีน้ําเงินก็ปรากฏกายขึ้นพินอคคิโ อ, โอขอให้นางฟ้าช่วยโดยบอกว่าถูกจับตัวมาทันใดนั้นเกิดอะไรขึ้นครับจมูกก็ยาวขึ้นเพราะอะไรครับเขาไม่ได้ถูกจับตัวมานะครับเขาเขามาด้วยความเต็มใจในตอนแรก จมูกของเขาก็ยาวขึ้นเพราะพูดโกหกนั่งฟ้าจึงเตือนให้พินอคคิโอพูดความจริงพินอคคิโอรู้ข่าวจากนกพิราว่าพ่อของเขาพายเรือตามหาเขาและถูกฉลามยักษ์กลืนเข้าไปเขาจึงตัดสินใจพายแพออกทะเลไปช่วยพ่อในที่สุดเขากับพ่อก็ออกมาได้สำเร็จทันใดนั้นหูและหางลาของพินอคคิโอก็หายไปตั้งแต่นั้นพินอคคิโอก็กลายเป็นเด็กชายที่น่ารักขยันขันแข็ง ไปโรงเรียนทุกวันและไม่เคยพูดโกหกสองพ่อลูกจึงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมานะครับประโยคสํสำคัญคือความสุขตลอดมาเพราะอันนี้นิยายต้องเป็นงี้ทุกอันมีความสุขตลอดมาพอเราฟังเรื่องนี้แล้วเรานึกถึงเรื่องอะไรในพระคัมภีร์ครับมีใครนึกคิดถึงเรื่องในพระคัมภีร์ไหมครับที่คล้ายๆกันอย่างนี้เรื่องบุรน้อยหลงหายโอ้โหได้ยินเสียง แวแววๆมาดีๆนเนี่ยช่วยผมไว้ได้กำลังนึกเลยถ้าไม่มีสักเสียงผมจะทำยังไงไปต่อนะครับบุตรน้อยหลงหายเรื่องเป็นเรื่องคล้ายๆกันนะครับอาจจะต่างกันที่รายละเอียดแต่สิ่งที่ผมอยากให้เรามีโอกาสผมไม่พูดรายละเอียดเรื่องของบุตรน้อยหลงหายนะครับแต่ว่าเราไปอ่านได้ถ้าใครอยากจะไปอ่านอีกครั้งหนึ่งหรือเปิดดูแอบๆดูไปพางๆเพราะจาเรื่องไม่ได้ดูได้ในลูกาบทที่ส5ข้อถึง พระธรรมตอนนี้เนี่ยในข้อ12บสองคนเล็กพูดกับบิดาว่าบิดาเจ้าข้าขอทรัพย์สมบัติที่เป็นส่วนของข้าเธอโอ้โหเรื่องนี้แรงมากนะครับบางคนบอกว่าเรื่องนี้แรงมากสําหรับคนอิสราเอลผมฟังแล้วผมอยากจะบอกว่ากับคนชาติไหนเรื่องนี้ก็แรงหมดนะครับเพราะการขอทรัพย์สมบัติขอมรดก ในมุมแรกที่เฮียวเห็นก็คื อ, อเหมือนการแช่งให้พ่อตายเอามรดกของพ่อมาเลยแล้วกันคือพูดง่ายๆเขาพูดความหมายก็คือเดี๋ยวพ่อตายพ่อก็ต้องให้ผมอยู่ดีเอาให้ผมเลยแล้วกันนะครับแล้วเขาขอส่วนของเขาไปครับอีกมุมหนึง่งนะครับการแบ่งสมบัติแท้จริงเป็นอำนาจการตัดสินใจของบิดาซึ่งบางครั้งอาจจะทําก่อนที่จะเสียชีวิตด้วยการมอบพินัยกรรมให้ ภายหลังเนีเป็นสิทธิ์ของพ่อจะเห็นสมควรอย่างไรแต่เด็กคนนี้คิดผิดจากคนทั่ทวไปนะครับเขาเรียกว่าแสดงความเย่อหยิ่งความอาหังกาความอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เคารพ บ, บ, บุพการีเขาข้ามหัวบิดานะครับเขาดูหมิ่นความคิดโออีกหลายสิ่งหลายอย่างโดยที่ไม่มีความเกรงกลัวเลยแล้วเขขอเอาทรัพย์สมบัติของเขาไป ต่อมาไม่กี่วันเขาก็รับเอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดนั้นไปนะครับแล้วก็ไปท่องเที่ยวแล้วก็แผานจนหมดตัวนะครับพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้บันทึกไว้ว่าหลังจากพอเขาหมดตัวเขาตกระก ร, รมลำบากจึงไปขออาศัยกับเจ้าของคอกหมูโดยหากินโดยกินอยู่กับหมูโหนะครับมีใครเคยได้กลิ่น อุจระหมูบ้างไหมครับเรียกแล้วมันขออนุญาตเรียกว่าขี้หมูแล้วกันนะครับมันจะฟังธรรมชาติขึ้นใครเคยได้กลิ่นขี้หมูไหมครับครับหลายๆคนเคยได้กลิ่นบางทีกลิ่นขี้หมูนี่ไม่จําเป็นต้องเห็นนะครับแค่เราขับรถผ่านบ ร, ริเวณที่เขาเลี้ยงหมูนะครับเราจะรูล้ละเคยมีครั้งหนึ่งที่เรามีค่ายของคริส จ, จัดผมไม่ทราบว่ามีบางท่านอาจจะได้ไปนะครับไปแถวนคนปรปฐมแล้วบริเวณบริเวณใกล้เคียงซึ่งเมื่อถามแล้วคาว่าใกล้เคียงหรือห่างเป็นกิโลนะครับ แต่มีเลี้ยงหมูนะครับโอ้โหกลิ่นขี้หมูนะครับยามเย็นลมพัดโชยนะครับก็กลิ่นมาดามหอมชื่นใจถ้าใครเข้าใจประโยคนี้แปลว่าอายุได้ระดับหนึ่งนะครับกลิ่นมาดามหอมชื่นใจก็เราได้กลิ่นโชยมานีน่แต่คนคนนี้ไปอาศัยอยู่ในคอกหมูแล้วก็กินอาหารของหมูสุดท้ายเขารู้สึกว่าโอ้โห ทั้งทั้งที่หมูเนี่ยเป็นสัตว์ที่ถือว่าไม่สะอาดมากๆสำหรับสาหรับคนอยู่นะครับการไปอยู่กับหมูนี่ก็ถือว่าต่ำต้อยที่สุดในชีวิตละเป็นชีวิตตกอับที่สุดนะครับแต่เมื่อเขาสำนึกตัวเขาบอกว่าลูกจ้างของบิดาเรามีมากยังมีอาหารกินอิ่มและเหลือเราจะมาอดตายที่ทำไมเพราะฉะนั้นเขากลับใจแล้วก็คาดหวังจะกลับไปหาบิดาของเขาด้วยความถ่อมใจ คือไม่ได้กลับไปเพื่อจะไปเป็นลูกไม่ได้กลับไปเพื่อจะไปทวงสิทธิ์ว่าพ่ออย่างน้อยผมก็เป็นลูกพ่อพ่อต้องดูแลผมสิพ่อต้องเลี้ยงผมสิไม่ใช่เขากลับไปด้วยความรู้สึกว่าอย่างน้อยคนงานที่บ้านเนี่ยก็ยังกินดีอยู่ดีกว่านี้ไปขอเป็นคนงานให้พ่อก็ยังดีนะครับแล้วสิ่งที่พระเจ้าทรงนาก็คือพระเจ้านาเขา กลับบ้านนําเขากลับบ้านนี่เป็นความรักของพระเจ้าที่พระเจ้าให้โอกาสสําหรับคนที่หลงผิดคนที่หลงหายพระเจ้าให้โอกาสเสมอที่จะรวบรวมคนเหล่านี้กลับบ้านเหมือนคนยูดาในยุคนั้นที่เสฟันยาบอกว่าพระเจ้าจะรวบรวมเจ้าทั้งหลายกลับเข้ามาสู่บ้านกลับเข้ามาด้วยกันในการรวมเข้าไว้ด้วยกันนะครับ ผมอยากจะให้เราเห็นภาพตรงนี้ว่าพ่อบิดาของเด็กคนนี้ในบุตรน้อยหลงหายเนี่ยครับเขาบอกว่าเพราะว่าลูกของเราคนนี้ตายแล้วแต่กลับมีชีวิตอีกหายไปแล้วแต่ได้รวมกันการรวมกันการกลับบ้านนะครับมันมีความหมายมากที่สุดเลยเมื่อมันเป็นสิ่งที่หายไปแล้ว เสียไปแล้วแล้วเราได้กลับมาและที่สำคัญ น, นะครับเขาได้กลับมารวมกันนะครับผมเชื่อว่ามีหลายครอบครัวนะครับที่ลูกไปเรียนต่อต่างประเทศลูกไปทำงานลูกไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างจังหวัดไปใช้และไม่ได้รวมกันอยู่ครบในครอบครัวนะครับผู้หกคองอยุ้ยในในลูกสาวยังเดินทางในการรับใช้พระเจ้าอยู่ใช่ไหมครับรเวลาที่เลากลับมาพบพร้อมๆกันเนี่ย มันเป็นความชื่นชมยินดีมากเพราะมันเป็นการกลับมารีอุนไรท์เข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันอีกครั้งหนึ่งเห็นหน้าเห็นตาเวลาน้องชายผมกลับจากต่างประเทศเป็นเวลาที่คุณพ่อคุณแม่มีความสุขมากหน้าชื่นนะครับตาบานารู้สึกมันเป็นความชื่นชมยินดีแม้จะเป็นช่วงเวลาไม่นานแต่นี่ลูกชายของเขาคิดว่าหายไปละจะไม่ได้กลับมาอีกแล้ว รวมได้กลับมารวมเป็นครอบครัวเดียวกันได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกั น, นเป็นความเชื่อชื่นมินดีพระบิดาเจ้าของเราก็เช่นกันพระองค์มีพระประสงค์อย่างยิ่งสำหรับมนุษย์เพราะวันแรกที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์พระเจ้าอยากให้มนุษย์มีความสุขแต่เพราะความบาปทำให้มนุษย์หลงหายไปจากทางของพระเจ้าและมนุษย์พยายามทาสารพัดอย่างที่จะกลับมาหาพระเจ้ามนุษย์พยายามที่จะทาบุญ มนุษย์พยายามที่จะทำความดีบางครั้งบาเพ็ญสิ่งต่างๆด้วยความหวังว่าจะได้กลับมาแต่เพราะว่าเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะเราเองก็ยังเป็นคนบาปเราจึงกลับมาด้วยตัวเองไม่ได้แต่โดยพระเจ้าพระเจ้านำเรากลับมาขอเพียงที่เราจะกลับใจใหม่ทีเ่เราจะกลับมาหาพระเยซูและพระเจ้ารอเวลาที่เราจะกลับมาหาพระเจ้าไม่ว่าเราจะเป็นคนที่เคยรู้จักกับพระเจ้ามีชีวิต อยู่ในพระเจ้าแล้ววันหนึ่งด้วยอะไรก็ตามทาให้เราห่างจากทางของพระเจ้าบางคนห่างแบบมาโบสถ์แต่มันว่างข้างในบางคนห่างแบบไม่ได้มาโบทเลยหายไปจากโบสถ์เพราะความเคยชินของชีวิตไม่ใช่การมานมัสการพระเจ้าเสร็จแล้วผมมีเพื่อนอนุชนในรุ่นเดียวกันหลายคนที่ทุกวันนี้น่าเสียดายนะครับที่ไม่มีโอกาสได้มานมัสการพระเจ้าทั้งทิ้งที่ปร ะ, ประตูโบส ประตูบสถเปิดตลอดเวลารพระเจ้ารอคนเหล่านี้จะกลับมาหาถ้ามีโอกาสอยากให้เรามีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อพี่น้องของเราด้วยถ้าเราหันไปทางซ้ายทางขวาแล้วเราพบว่ามีบางคนที่เราเคยเติบโตมาด้วยกันแล้ววันนี้เขาไม่อยู่ตรงนี้นะครับผมท้าชวนพวกเราด้วยจะอธิษฐานเผื่อเขาคขในเดีดวยวกันพระเจ้ารอการรวมกันกลับมาของคนที่ไม่เคยรู้จักกับพระเจ้า คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าที่จะกลับใจที่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์แล้วเข้ามาอยู่ในบ้านของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่านี่คือความรักของพระเจ้าที่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะรวมพวกเราเข้าไว้ด้วยกันในเวลานั้นเราจะนำพวกเจ้าเข้ามาคือในเวลาที่เรารวบรวมเจ้าเข้าด้วยกันการรวมเข้าไว้ด้วยกันมีอีกความหมายหนึ่งที่ผม คิดว่าเป็นสิ่งสำคัญคือเมื่อพระเจ้ารวมคนยูดาห์เหล่านั้นเข้าด้วยกันพระเจ้าไม่ได้รวมเพื่อที่เขาจะเข้าจะมานั่งเฮฮากันเฉยๆไม่ได้รวมกันเพื่อที่เขาจะเข้ามาแล้วก็สนุกสนานรื่นเริงแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเดิมๆแล้วก็ตกอยู่ในความบาปเหมือนเดิมแต่พระเจ้ารวมเขาไว้เพื่อเป็นพลังเสริมสร้างกันและกันเหมือนที่พระเจ้ารวมเราทุกคนเวลานี้อยู่ในคริสตจักร พระเจ้ารวมเราไม่ได้รวมเราเพื่อเราจะมานั่งเฉยๆแล้วก็ชื่นชมยินดีเป็นเฉพาะช่วงเวลาวันอาทิตย์และหลังจากนั้นเรากลับไปมีชีวิตที่ลําบากลาเนินชีวิตพยายามด้วยตัวเองต่อไปในอีกหวันแต่พระเจ้ารวมเราไว้เพื่อที่เราเองจะเสริมสร้างซึ่งกันและกันในปัญญาจารย์บทที่สี่ข้อ9้าถึงข้อสิบบอกว่าสองคนดีกว่าคนเดียว เพราะว่าคนเพราะว่าเขาทั้งสองได้รับผลของงานดีด้วยว่าถ้าคนหนึ่งล้มลงอีกคนหนึ่งจะได้พยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้นแต่วิบัตแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลงและไม่มีผู้อื่นพยุงยกให้ลุกขึ้นที่ไหนที่มีการจับไม้จับมือกันนะครับเป็นหนึ่งรวมพลังที่นั่นพระเจ้าจะบัญชาพระพรเพราะนเราเองต้องสนับสนุนกันและกันผมยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นใน พระธรรมอุพยพตอนที่โมเสสแลวก็อาโรนอยู่บนภูเขาเขารวมพลังต่อสู้กับคนอามาเลกเพราะฉะนั้นของพระเจ้าบันทึกเอาไว้แบบไม่ต้องตีความโยชูวาก็ทําตามคำสั่งของโมเสสออกสู้รบกับพวกอามาเลกส่วนโมเสสอาโรนและเธอก็ขึ้นไปบนยอดภูเขานั้นพอจะนึกออกนะครับโมเสสยกมือขึ้นเมื่อไหร่อิสราเอลก็ได้เปรียนเมื่อนั้นคือเขาอยู่บนยอดภูเขา มองลงไปเห็นอิสราเอลสู้กับคนอามาเลกถ้าเขายกมือปุ๊บคนอิสราเอลก็เอเมื่อไหร่ลดมือลงเมื่อไหร่พวกอามาเลกก็เป็นต่อเมื่อนั้นแต่มือของโมเสสเมื่อยล้าเพราะแปลว่าอะไรครับแปลว่าต้องยกและการต่อสู้สงครามสมัยก่อนนะครับไม่ใช่ขีปนาวุธยิงกันสองตุ้มนะครับฮิโรชิมาตุ้มแล้วก็จบเลิกละรู้แพ้รู้ชนะไม่เขาต่อสู้กันรบกันเป็นวันๆเพราะฉะนั้น โมเสสก็ชูมืออย่างนี้ผมขอแค่นี้นะครับผมก็เมื่อยละนะครับโมเสสยกมืออย่างนี้พอมือของโมเสสมื่ยล้าเขาทําไงครับเขาทั้งสองก็คืออาโรนกับเฮอก็นําก้อนหินมาวางให้โมเสสท่านนั่งแล้วอาโรนกับเฮก็ช่วยกันยกมือท่านคนละข้างมือของท่านก็ชูอยู่จนตะวันตกดิน ก็มีคนนะครับก็คือเธอกับอารรนก็ยกมือของโมเสสนะครับช่วยยกชูขึ้นนะครับนั่นคือการร่วมทีมนะครับพระเจ้าเป็นทีมตรีเอกานุภาพแล้วก็พระเจ้าก็มีทีมที่ดีมากๆและพระองค์ถ่ายทอดลักษณะเหล่านี้ให้เราในการรับใช้ดูเถิดซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นนั้นหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใด เหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีสะไหลอาบลงมาบนหนวดคราวบนหนวดคราวของอารอนไหลลงมาอาบบนคอเสื้อของท่านเหมือนผ้น้ำค้างของภูเขาเฮอร์โมนซึ่งตกลงบนเทือกเขาซิโยนเพราะว่าพระเจ้าทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่นคือชีวิตจำเริญเป็นนิดพระเจ้ารวมเราไว้นอกจากพระเจ้าจะรวมเรานะครับในความรักของพระเจ้าพระเจ้าได้รวมเราเพื่อที่เราเอง หันหลังจากความบาปแล้วมารวมกันกับพระเจ้ากลับมาสู่ครอบครัวของพระเจ้าในในชีวิตที่ดําเนินกับพระเจ้าแล้วพระเจ้ายังรวมเราเพื่อเราเองจะเสริมสร้างซึ่งกันและกันบางคนบอกว่าเฮ้ยก็ผมเชื่อพระเจ้าผมอ่านาพระคัมภีร์อยู่ที่บ้านก็ได้ผมก็อธิษฐานทุกวันไม่เคยขาดโหไปโบสถ์เจอคนเยอะแยะอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็จะให้ร้องเพลงเดี๋ยวก็จะให้อธิษฐานเดี๋ยวใช้ทํานู่ทนทํานี่นี่เป็นสาเหตุนะครับ เพราะว่าพระเจ้ารวมเราไว้เพื่อเราจะเสริมสร้างซึ่งกันและกันนอกจากที่พระเจ้าจะรวมเราไว้ในความรักของพระเจ้าจากพระธรรมตอนนี้ที่ผมเห็นอีกอย่างหนึ่งคือพระเจ้าพากลับบ้านนะครับพระเจ้าบอกว่าท่ามกลางประชากรทั้งสิ้นในโลกเมื่อเราให้เจ้ากลับสู่สภาพเดิมพระเจ้าพาเรากลับสู่สภาพเดิมพาเรากลับบ้านถ้าเราดูใน พระธรรมที่เกี่ยวกับบุตรน้อยหลงหายในลูกาบทที่สิ 20. บห้าข้อยี่สิบมันทึกบอกว่าแล้วเขาก็ลุกขึ้นไปหาบิดาของตนและเมื่อเขายังอยู่แต่ไกลนั้นบิดาแลเห็นเขาก็มีความเมตตาจึงวิ่งไปกอดเขาเมื่อบุตรน้อยหันหลังให้กับความผิดบาปแล้วก็สารภาพสำนึกในสิ่งที่ทำลงไปเขาจึงได้รับการต้อนรับจากผู้เป็นพ่อผู้เป็นพ่อซึ่งถ้าเราสังเกตก็คือว่า ขณะที่บุตรน้อยเดินมาแต่ไกลผู้เป็นพ่อแลเเห็นแล้วก็วิ่งลงไปหาสิ่งที่เราเห็นอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้เป็นพ่อเฝ้ารอคอยเพราะว่าไม่ใช่ว่าพ่อทำนู่นนี่ง่วนอยู่จนพอลูกเดินเข้ามาถึงบ้านแล้วก็บอกว่าสกิดพ่อพ่อครับผมสำานึกผิดแล้วครับเปล่าขณะที่ลูกเดินมาแต่ไกลพ่อเห็นแต่ไกล มันแสดงให้เห็นอาการว่าพ่อเนี่ยได้เฝ้ามองดูและรอคอยการกลับมาเขาจึงวิ่งออกไปและวิ่งออกไปไม่ได้มีอาการที่จะลังเลนะครับแต่โอบกอดและหอมแก้มลูกชายทันทีเพราะมันเป็นความดีใจอย่างที่สุดอย่างที่ผมบอกแล้วเมื่อบุตรน้อยหลงหายกลับมาถึงบ้านเขาเป็นคนที่เหมือนตายแล้วแต่กลับมามีชีวิตสิ่งที่คุณพ่อทาคืออะไรครับ จงเอาลูกลูกวัวอ้วนพีมาฆ่าเลี้ยงกันเพื่อความรื่นเรองยินดีเถิดเพราะเพื่อจะแสดงให้คนทั้งหมู่บ้านรับรู้ถึงการรวมตัวว่าลูกคนนี้กลับมาแล้วการที่เขากลับมาจึงเป็นก้าวย่างที่เขากลับเข้ามาสู่ความรักและการให้อภัยและได้รับสถานภาพและสิทธิในฐานะของการเป็นลูกนะครับ พระธรรมเสฟัญยาบันทึกบอกว่าให้เจ้าได้กลับสู่สภาพเดิมสภาพเดิมของมนุษย์คือสภาพอะไรครับสภาพเดิมที่ติดสนิทอยู่กับพระเจ้าเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์ครั้งแรกพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้อยู่กับพระเจ้ามนุษย์ไม่ได้ห่างจากพระเจ้าแต่มนุษย์เองเป็นผู้ที่ห่างจากพระเจ้าเพราะความผิดบาปพระเจ้าจึงให้เขาเหล่านี้ได้กลับสู่สภาพเดิม ในความเป็นลูกเมื่อท่านเชื่อก็ได้รับสิทธิ์ให้เป็นอะไรครับเป็นบุตรของพระเจ้าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเกียรติอย่างยิ่งถ้าเราดูบุตรน้อยที่หลงหายเราพบว่าเขาทำสิ่งสรารพัดทุกอย่างที่เป็นความผิดบาปและเป็นสิ่งที่ทำให้พ่อเสียใจแต่เมื่อเขากลับมาไม่เพียงพ่อจะบอกว่าโอเคอาศัยอยู่ที่นี่ได้ ไม่เพียงพ่อจะบอกว่าโอเคเจ้าก็กลับมาเป็นลูกแล้วกันนะแต่สิ่งที่พ่อทําในทันทีก็คือพ่อให้คนเอาเสื้อผ้านะครับอย่างดีไหมเข้าสวมใส่และที่สําคัญคือเอาแหวนมาใส่เราจะสงสัยทําไมต้องใส่แหวนแหวนในที่นี้หมายถึงเป็นแหวนที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นสมาชิกในตระกูลแหวนที่แสดงถึงความเป็นลูก นั้นเมื่อเรากลับใจใหม่พระเจ้ารอคอยให้เรากลับใจใหม่เพื่อที่พระองค์จะประทานสภาพเดิมให้กับเราให้เรากลับมาคืนดีสภาพเดิมคือสภาพแห่งการคืนดีกับพระเจ้าสภาพแห่งการมีชีวิตอยู่ในพระเจ้าพระเจ้ารอคอยทุกๆคนที่จะกลับมาหาพระองค์ขอเพียงเราสนองตอบครั้งหนึ่งผมเคยมีโอกาสได้ ประกาศเรื่องของพระเจ้ากับคนหนึ่งคนหนึ่งเขามีคำถามบอกว่าทำไมพระเจ้าต้องตั้งเงื่อนไขด้วยทำไมต้องเชื่อพระเจ้าแล้วถึงจะรอดทำไมพระเจ้าต้องตั้งเงื่อนไขด้วยถ้าพวกเราฟังแล้วพวกเราจะคิดว่าไงครับโอ้งั้นพระเจ้าโอ้พระเจ้าต้องมีเงื่อนไขไหนบอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วทาไมพระเจ้ามีเงื่อนไข ต้องรักพระเจ้าต้องกลับใจใหม่เราต้องเข้าใจนะครับสิ่งนั้นไม่ใช่เงื่อนไขแต่พระเจ้าถ้าผมเปรียบเทียบคือพระเจ้ายื่นมือมาแล้วพระเจ้ายื่นมือมาแล้วเพื่อจ ะ, จะรับเราแต่สิ่งที่เราทำมันไม่ใช่เงื่อนไขแต่เป็นสิ่งที่เราต้องทำคือยื่นมือไปจับกับพระองค์คือเปิดใจรับพระองค์ไม่ใช่ว่าเราจะรอให้พระเจ้าลากคอเราเข้าไป เพราะถ้าพระเจ้าลากเราเข้าไปแต่หัวใจเรายังไม่ได้กลับคือดีกับพระเจ้าก็ไม่มีประโยชน์เราก็ยังไม่ได้คือดีกับพระเจ้าอยู่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือเรื่องนี้ไม่ใช่เงื่อนไขแต่พระเจ้าเปิดโอกาสให้เราทุกเวลาที่เราจะต้อนรับพระเยสุคริสเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตหรือแม้กระทั่งใครที่เราคิดว่าเราหลงห่างไปจากพระเจ้าพระเจ้าก็ยังอ้อมกอดของพระองค์ก็ยังอ้าแขนที่จะรอรับเราอยู่ตลอดเวลาอยู่เสมอ สี่อย่างที่เราจะต้องทำนะครับผมขออนุ ญ, ญาตยกคำพูดของคุณครูชนธิราคุณครูฝ่ายศาสนาคิดที่โรงเรียนวัฒนาผมเคยอ่านเจอว่าท่านใช้อยู่สี่ข้อท่านใช้คาว่าคำคำอันแรกคือ Confess ฟ o u r s ินสารภาพความผิดบาปของเราเพื่อขอการชําระอันที่สองตัว O Open your heart คือเราเองต้องเปิดใจเพื่อรับการอภัย M คือ Meet Jesus และเราจะได้รับ เ, เราจะได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและ E คือ enter to everlasting life ก็คือเพื่อเราจะก้าวสู่ชีวิตนิรันดร์เพราะนี่เป็นเคล็ดลับของการที่เราเองจะกลับคืนสู่สภาพเดิมพ ร, พระเจ้าพร้อมที่จะพาเรากลับสู่สภาพเดิมแต่เราเองต้องรู้เคล็ดลับพระเจ้าท่งสัญญาแก่เราทุกคนว่าผู้ที่มาหาเรา เราจะไม่ทอดทิ้งเขาเลยพระเจ้าให้สัญญาว่าพระองค์จะรวมเรากลับมาพาเรากลับบ้านและพระองค์จะให้เรามีเกียรติและเป็นที่ยกย่องในพระธรรมลูกาบทที่15บหข้อบุตรน้อยคนนั้นบอกว่าพร ะ, บ, ะบิดาเจ้าข้าข้าพระเจ้าทำผิดต่อสวรรค์และผิดต่อท่านขอท่านให้ข้าพระเจ้าเป็นเหมือนลูกจ้างของท่านคนหนึ่งเถิด เพราะเขาสำนึกในความผิดและเขาไม่คิดว่าตัวเองควรจะได้รับสิทธิ์เป็นลูกอีกต่อไปแต่มันเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาที่ผู้อาวุโสโดยเฉพาะคนเป็นพ่อจะวิ่งไปหาคนที่ครั้งหนึ่งเคยทำเรื่องเสื่อมเสียกับวงตระกูลอย่าลืมนะครับสิ่งทเขาขอไปนั่นนะครับมันไม่ได้เกิดกระทบเฉพาะในบ้านนะครับแต่มันเหมือนที่คนไทยบอกว่ารู้ถึงไหนอายถึงนั่น ลูกไปไหนแล้วไม่อยู่แล้วอ๋อลูกบ้านนี้ไงที่มันขอมรดกพ่อแล้วมันก็หนีไปเลยลูกบ้านนี้ไงที่มันแช่งให้พ่อตายแล้วมันก็ขอมรดกแล้วมันก็หนีไปเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รู้ถึงไหนอายถึงนั่นแต่สิ่งที่เขาได้รับคือเพราะความรักที่มีต่อลูกพ่อจึงยอมทําทุกอย่างซึงคลุมอย่างดีที่สุดก็ถูกนามาสวมใส่ให้ลูก แหวนก็ถูกนำมาสูมใส่ให้ลูกเขาได้รับการตอบรับอย่างดีพระเจ้าบอกกับเราบอกว่าเมื่อเราคืนดีกับพระองค์พระองค์จะให้เราเองมีชื่อเสียงคำว่ามีชื่อเสียงในที่นี้คงไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าจะให้เราเป็นดาราพระเจ้าจะให้เราเป็นนักร้องพระเจ้าจะให้เราเป็นเป็นคนมีชื่อเสียงแต่ในที่นี้หมายความว่าพระเจ้าจะยกย่องเรายกย่องเราให้เรากลับมา เป็นคนที่พระเจ้ายอมรับให้เราเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสายพระเนตรของพระองค์ครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งเป็นคนเก็บภาษีปีนอยู่บนต้นไม้เพื่อจะมองหาพระเยซูเมื่อเขากลับใจพระเจ้ายกย่องเขาให้เขาเป็นบ้านหนึ่งในไม่กี่บ้านที่พระเยซูเสด็จเข้าไปเยี่ยมเยียนครั้งหนึ่งเปโตรเคยเป็นคนทึ่กลับหลังให้กับพระเจ้าหนี พระเยซูทิ้งพระเยซูให้พระเยซูลำบากพระเยซูถูกจับแล้วพระเยซูถูกตรึงแต่เมื่อเขากลับใจพระเจ้ายกย่องเขายกย่องเขาทั้งในชีวิตการรับใช้จนไปถึงแม้กระทั่งยกย่องเขานะครับทุกวันนี้เราได้ยินชื่อของเปโตรในพระวจนะของพระเจ้าชื่อของเขาถูกบันทึกอยู่มากมายในพระวจนะของพระเจ้าชายซึ่งคนหนึ่งหันหลัง ให้กับพระเจ้าพระธรรมเหล่านี้บอกกับเราว่าเมื่อเราเองกลับมาหาพระเจ้าเมื่อเราเองกลับใจใหม่แล้วมอบชีวิตของเราให้กับพระเจ้าพระ จ, จะรวบรวมเราจะพาเรากลับบ้านและให้เราเป็นเกียรติเป็นที่น่ายกย่องพี่น้องครับถ้าวันนี้มีใครที่เรารู้สึกว่าพระเจ้ากำลังเรียกร้องเรา พร้ากำลเรียกร้องเราอย่างที่ผมบอกบางคนอาจจะอยู่ในคริสตจักรมาบสถเป็นประจําแต่เรายังไม่รู้สึกไม่รู้สึกถึงการสัมผัสของพระเจ้าหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเรายังมีการต่อสู้เรามีสิ่งที่เรียกร้องเราไปทางอื่นขอที่เราเองจะมีโอกาสไข้ค ร, ครวญ พ, พระเจ้าของเราเอง ผมใช้คําว่าเราเองไม่มีวันทําได้ด้วยตัวเองถ้าเรายัางดิ้นรนเพื่อจะทําด้วยตัวเองแต่พระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าอยู่ข้างเราพระวิเยซูบริสุทธิ์อยู่กับเราที่จะช่วยเรานะครับเพราะฉะนั้นให้เราเองมีโอกาสมีประสบการณ์กับพระเจ้าอาธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าเพื่อที่พระเจ้าจะนําเรากลับเข้ามาสู่พระนิเวศของพระองค์แล้วก็คืนดีกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งให้เรามีโอกาสอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับ ข้าแต่พระเจ้าผู้ใหญ่สูงสุดละโมทนาและเราขอบคุณพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระวจนะของพระองค์ได้ย้ำเตือนและปลอบประโลมใจเราให้เราเห็นถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าโดยเฉพาะความรักของพระองค์ที่ผ่านทางพระเยซูคริสเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์เป็นพระเจ้าแห่ง โอกาสที่รอคอยการกลับมาของพวกเราทุกๆคนเวลานี้ข้าแตบพระเจ้าครับขอการทรงนำขอพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับพวกเราทุกๆคนขอพระวจนะของพระองค์จะแตะต้องจิตใจของเราทุกๆคนและนำเราที่จะดำเนินชีวิตทุกๆวันกับพระเจ้าเราจึงอธิษฐานทูลขอการทรงนำด้วยความเชื่อความวางใจและความขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมณ์